พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ต้องมีความภาคเพียรพยายาม เป็นผู้สนับสนุนในการปฏิบัติถ้าขาดความภาคเพียรแล้วขาดความพยายามแล้วการบรรลุผลต่างๆจะไม่เกิดขึ้นมาดังในธรรมที่ได้ทรงตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียรความพยายาม อยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นดังนั้นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมจึงควรให้ความสำคัญต่อการสร้างความเพียรทำความเพียรกันเพราะถ้าขาดความเพียรพยายามผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานั่นเอง ความเพียรพยายามนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว้ยสี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งเพียรสร้างบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้ปรากฏขึ้นมาในใจสองให้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ให้หดหายไป สามให้เพียรละบาปอากุศลที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปและสี่เพียรป้องกันไม่ให้บาปอากุศลที่ได้ละไปแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือลักษณะของการทำความเพียรใน พุทธศาสนาสอนให้เพี่ยนสร้างบุญสร้างกุศลรักษาบุญกุศลที่ได้สร้างไว้แล้วละบาปอักกุศลทั้งหลายให้หมดสิ้นไปป้องกันไม่ให้อักกุศลที่ได้ละไปแล้วกลับคืนมาอีกถ้ามีความเพียรในสี่ลักษณะนี้แล้วผล <c oughs> ต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาคือมรสีผลสีนิพานหนึ่งก็จะเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามนั่นเองความเพียรพยายามนี้ต้องเพียรพยายามให้มากต้องทำให้ได้ตลอดเวลาอย่าเอาเวลาไป ทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นให้เอามาเพียนสร้างบุญสร้างกุศลให้มาเพียนละบาปอากุศลกันเพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรก็าตามก็เป็นผลประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้น เป็นผลประโยชน์ที่จะต้องมีวันพัดพรากจากกันเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปผลประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะก็จะ พัดภาคจากกันจากใจเมื่อใจไม่มีร่างกายใจก็ไม่สามารถที่จะรักษาลาบยศสรรเสริญรักษาความสุขจากรูปเสียงกลินรสผดสะพภาให้อยู่กับใจได้ต่อไปการที่เราใช้เวลาไปกับการหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นการเสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจได้ประโยชน์ก็ชั่วขณะที่สามารถที่จะรักษาไว้ได้เท่านั้นพอถึงเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้ว ก็จะไม่สามารถรักษาสิ่งต่างๆที่หามาได้เลยถ้าต้องหาก็ขอให้หาเท่าที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกคนต้องหาก็คือปัจจัยสี่ไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นทั้งเครื่องมือในการ หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และเป็นเครื่องมือในการมาสร้างความเพียรสร้างบุญสร้างกุศลละบาปอากุศลก็ต้องมีร่างกายที่พร้อมที่จะปฏิบัติถ้าร่างกายขาดแขนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย อดยาขาดแคนทุกยากลำบากก็จะยากต่อการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่เป็นผลที่จิตใจสามารถเอาติดตัวไปได้ดังนั้นถ้าต้องทำอะไรก็ขอให้ทำเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่คืออาหาร เครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่มีไว้สำหรับดูแลรักษาร่ารงกายให้อยู่เป็นปฏิสุขเป็นปกติสุขเพื่อที่จะได้เอาร่างกายมาทำความเพียรในการสร้างบุญสร้างกุศลในการละบาปเอากุศลต่างๆ ให้หมดสิ้นไปอย่าเอาเวลาไปหาสิ่งอื่นๆมากไปกว่าปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพราะว่าสิ่งอื่นๆถึงแม้จะมีประโยชน์มีความสุขมันก็เป็นประโยชน์สุขชั่วครั้งชั่วคราวที่ ในที่สุดก็จะต้องมีการพัดพรากจากกันให้มาสร้างบุญสร้างกุศลที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจที่จิตใจสามารถเอาไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะดีกว่านี่คือภารกิจหรือเป้าหมาย ของการปฏิบัติธรรมต้องการสร้างบุญสร้างกุศลให้ขึ้นมาในใจเพราะบุญกุศลเป็นเหตุของความสุขทั้งหลายและให้ละบาปอกุศลที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพราะเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองถ้า สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้พร้อมเพียงละบาปอกุศลทั้งหลายให้หมดสิ้นไปใจก็จะมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์และจะเป็นความสุขและความสิ้นทุกข์ที่จีรังถาวรจะไม่เสื่อมไม่หมดไปกับการเสื่อมของร่างกาย ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการเพียนสร้างบุญสร้างกุศลเพียนละบาปอกุศลทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ เรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลกันหรือกำลังทำอะไรอย่างอื่นอยู่เรากำลังละบาปละอกุศลกันหรือกำลังไปทำอะไรกันทำอะไรอย่างอื่นอยู่ถ้าเราไม่คอยถามตัวเองเราก็อาจจะถูกเหตุการณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆ บุคคลต่างๆชักจูงเราให้ไปในทางอื่นได้เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะให้ความสำคัญต่อการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลึกพักันเราก็เป็นคนที่จะต้องอยู่กับคนอื่น เราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้คนอื่นเขาฉุดลากเราออกนอกรูนอกทางของธรรมของพระพุทธเจ้าไปเราต้องมีอะไรคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจของเราให้อยู่ในธรรมนองของธรมรม อ, อย่าให้สิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ต่างๆหรือบุคคลต่างๆ ชุดลากเราไปในทางอื่นถ้ามีใครมาชวนเราไปเที่ยวเราก็ควรที่จะปฏิเสธไปมีใครมาชวนให้เราไปหาลาบหายศหันสรสนเราก็ควรจะปฏิเสธไปอย่าไปเกงใจอย่าไปเสียดายกับ คนเหล่านี้ถ้าเราจําเป็นที่จะต้องอยู่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เลือกอยู่กับคนฉลาดคนที่รู้จักทางธรรมอย่าไปคบกับคนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้จักทางธรรมถ้าไม่สามารถเลือกคบคนฉลาดได้ ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนถ้าอยู่กับคนฉลาดอยู่กับคนที่รู้ทางธรรมก็จะได้กำไรเพราะคนที่รู้จากทางธรรมก็จะชวนให้ไปในทางธรรมชวนให้ไปสร้างบุญสร้างกุศลชวนให้ไปละบาปอกุศลต่าง ถ้าคบกับคนไม่รู้จักทางธรรมคนที่รู้จักทางโลกรู้จักการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเถิดภถ้าคบกับเขาเขาก็จะชวนให้เราไปทางของเขาถ้าเราเก่งใจเขาเราก็จะต้องขาดทุน ก็เราจะเสียตัวเสียธรรมที่เราควรที่จะได้รับเราก็จะเสียเวลากับการไปหาลาบยศสนเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่นอกจากจะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วยังเป็นความทุกข์ที่จะตามมาอีกด้วย เพราะเมื่อถึงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ <c oughs> จากรูปเสียงกิ่นรสผดทปะได้เช่นเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เราจะตายเวลานั้นเราจะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้เวลานั้นเราก็จะไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าส้อยงอยเหงาความว้าเหวความเสื่มเศร้าเพราะเราไม่สามารถหาความสุขจากราบยศสรดเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้นั่นเอง ดังนั้นเราจึงต้องคิดให้รอบคอบอช่างตวงผลได้ผลเสียจากการครบค้าสมาคมกับคนต่างๆถ้าเขาจะดึงเราไปทางลาบยศจลเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะและถ้าเราไม่ไปเราจะขาดเพื่อนเราจะไม่มีเขาเป็นเพื่อน ก็อย่าไปเสียดายเพื่อนแบบนี้เพราะว่าเรามีแต่จะขาดทุนอาจจะกำไรในช่วงที่เรายังมีความสามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดผุทพธาได้แต่พอถึงเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียง เก่งรถผดผ้าได้เวลานั้นเราก็จะขาดทุนขาดความสุขจะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจและอาจจะทำให้เราคิดกระทําในสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็คิดฆ่าตัวตายกันเพราะเมื่ออยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจไม่รู้จะอยู่ไปทำไม แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาเป็นเพียงแต่เป็นการผลักปัญหาออกไปเท่านั้นเองเพราะว่าหลังจากที่ตายไปและหลังจากที่ไปได้รับผลบุญผลบาปที่ได้ทาไวแ้วแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วก็จะกลับมาหาราบยศ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แล้วก็จะต้องมาพบกับความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขได้ใหม่ก็จะฆ่าตัวตายใหม่ทำท่านแสดงไว้ว่าถ้าไปฆ่าตัวตายแล้ว จะกลับมาฆ่าตัวตายอีก500้อชาตนะิเพราะว่าจะเป็นนิสัยนั่นเองเพอแก้ปัญหาปัากำจัดความทุกข์ไม่ได้ก็ต้องแก้ด้วยการฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายไม่ได้ไปฆ่าต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็คือบาปและอกุศลทั้งหลายนั่นเอง ที่เราต้องฆ่ากันออและความสุขก็คือบุญกุศลที่เราไม่มีก็ต้องสร้างมันขึ้นมากันออถึงจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดออถ้าไม่ฉะนั้นก็จะต้องแก้ปัญหาแบบเดิมทุกครั้งที่เจอความทุกข์ที่ไม่สามารถกำจัดได้ไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะ คิดฆ่าตัวตายกันก็จะติดอยู่ในวงจรอุบาทนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะได้พบกับบัณฑิตพบกับคนฉลาดที่จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ใจนี้ด้วยการมาละบาปละอกุศลต่างๆให้หมดไป แล้วให้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เกิดความสุขปรากฏขึ้นมาภายในใจถ้าได้กระทำตามที่บัณฑิตคนฉลาดสอนให้กระทำแล้วต่อไปความทุกข์ใจจะไม่มีจะมีแต่ความสุขใจเพียงอย่างเดียวจะไม่เดือดร้อนกับปัญหาของทางร่างกาย ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหากับใจที่มีบุญมีกุศลใจที่ได้ละบาปละอกุศลทั้งหลายไปแล้วเพราะใจสามารถมีความสุขได้สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ เมื่อโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพพ์มาให้ความสุขกับใจไม่จะไม่มีเหตุที่จะมาทำให้คิดฆ่าตัวตายกันแต่ถ้าไปในทางโลกไปในทางลาบยศสรรเสริญ ไปในทางรูปเสียงกิน่นรโผลทพะนะไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสะดุดจะต้องมีอุปสรรคอาจจะมีอุปสรรคทางลาบยศเพราะว่าลาบนี้มีเจริญก็มีเสื่อมได้ยศก็มีเจริญก็มีเสื่อมได้เวลาลาบยศสรรเสริญสุขเจริญ ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาที่ลาบยศสรรเสริญสุขเสื่อมลงไปเวลานั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาก็คือแทนจะมีแทนที่จะมีความสุขก็กลับจะมีแต่ความทุกข์แล้วถ้าไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจไม่สามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้ ใจก็จะคิดฆ่าตัวตายนั่นเอง น, น, นี่คือสิ่งที่จะมาทำให้เรานี้ออกนอกลู่นอกทางก็คือบุคคลต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราไปคบคนที่เขาชอบ ไปในทางราบยศสรรเสริญในความในทางสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็จะฉุดลากเราไป <c oughs> ถ้าเราไปทางนี้เราก็จะต้องขัดทุนต่อไปเวลาที่เกิดการสะดุดเกิดการที่ไม่สามารถที่จะหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพธพะได้ ถ้ามีใครชวนเราไปทางนี้เราต้องปฏิเสธอย่าไปเก่งใจ <c oughs> เก่งใจเขาจะทำให้เสียใจเรารักษาใจเขาแล้วจะทำให้ทำลายใจเราเพราะใจเราจะต้องเดือดร้อนต่อไปเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะได้อย่างนั้นอย่าไปเกงใจใครถ้าความเกงใจนี้พาให้เราจะต้องเสียใจในภายหลังอย่าต้องทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังก็ให้ปฏิเสธไปพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่สามารถครบคนที่ดีกว่าเราได้ คนที่จะเดึงเราไปในทางธรรมได้ก็อยา่าก็อยู่คนเดียวไปจะดีกว่าอยู่คนเดียวอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนถึง แ, แม้ไม่กําไรแต่ก็ไม่ขาดทุนถ้าไปคบกับคนที่ชอบไปในทางโลกก็ต้องถูกเขาฉุดลากไปในทางโลกและผลของผู้ที่ไปในทางโลกก็คือความทุกข์ เวลาที่เกิดอุปสรรคในการที่จะหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสิญจากรูปเสียงเกิดลดผลทพะนั่นเองดังนั้นเวลาคบกับใครครบกันได้ไม่ให้เสียมารยาทไม่ให้เสียความเมตตาต่อกันแต่เวลาจะทำกิจกรรมอะไรก็ต้องเลือก ถ้าเขาจะเดินไปในทางลาบยศสารเสนสุขก็ต้องขอตัวขอปฏิเสธอย่าไปถ้าเขาชวนไปในทางธรรมชวนไปในการสร้างบุญสร้างกุศลชวนในในทางละบาปละอกุศลก็ก็ไปได้ว่เาเป็นทางที่เราต้องการไปนี่คือ สิ่งที่เราจะต้องมีความระมัดระวังไม่เช่นนั้นเราจะเสียเวลาเสียเวลาเวลาที่เราไปในทางลาบยศสรรเสริญในทางความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็จะดึงเอาเวลาที่เราควรที่จะมาในทางบุญทางบุญทางกุศลนี้ไปเราก็จะไม่ได้ ก้าวหน้าไปในทางบุญทางกุศลนั่นเองดังนั้นเราต้องคอยตรวจตาตรวจดูการกระทําของเราอยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราเรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลเรากําลังละบาปละอกุศลกันหรือว่าเรากําลังสร้างราบยศสรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกัน ถ้าไม่คอยถามตัวเองบางทีก็อาจจะลืมไปได้เพราะเวลาที่เราทำอะไรบางทีเราก็ถูกเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมอบีบบังคับให้เรากระทำไปแต่ถ้าเราคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังไปถูกทางหรือไม่ ไปในทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เรากระทากันหรือไม่ถ้าไม่ใช่เป็นทางเราก็ควรที่จะอยู่เทินขับรถกลับถ้าขับรถไปผิดทางเราก็ต้องอยู่เทินกันเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่เทินเราจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันจุดหมายปลายทางของพวกเรานี้คือมรรคผลผนิพพาน การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับตามกําลังของการปฏิบัติของความเพียรของพวกเราเราจะต้องการไปทางนี้เราต้องการไปสู่โล ก, กุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกธรรมที่พาให้เราออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทมที่จะพาให้ดาออกจากสังสารวัตหรือวัะสงสารเพราะสังสารวัตรวัฏสงสารนี้เป็นเป็นภพชาติที่เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนชาติไหนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพบกับความดับพบกับการตาย ถึงแม้จะไปเกิดภพของพรหมก็ต้องเสื่อมลงมาภพของเทวดาก็ต้องเสื่อมลงมาภพของมนุษย์ก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายอย่าว่าถึงภพของสัตว์เดรัจฉานหรือภพของเปรตของอสุรกายหรือของนรกเลยที่มีเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลา นี่คือพบต่างๆที่พวกเรายังติดกันอยู่ถ้าพวกเรายังขวนขวายกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่เราก็จะติดอยู่ในพบเหล่านี้ถ้าเรา <c oughs> ไม่ต้องการที่จะติดอยู่ในพบเหล่านี้เราก็ต้อง ไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไปกันเราต้องหมั่นเพียรสร้างบุญสร้างกุศลหมั่นละบาปอ ก, กุศลต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปเพื่อใจของเราจะได้เข้าสู่โลกุตตระธรรมเข้าสู่ธรรมที่จะพาให้ใจของเราหลุดออกจากกองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราได้เข้าสส่อมักผลระดับที่หนึ่งคือโสดาปติมัคโสดาปติผลเราก็จะตัดพบชาติในการเวียนว่ายตายเกิดในกามพภพคือพพของมนุษย์หรือพพของเทวดาให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติได้และเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย คือพบของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกถ้าเราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลละบาปอกุศลต่างๆจนสามารถบรรลุมรรคผลขั้นที่หนึ่งได้คือขั้นพระโสดาบันมรรคผลนี้เป็นของคู่กันเหมือนสามีภรรยา การที่สามีภรรยาจะมีลูกไดนะ้ก็ต้องมีสามีและมีภรรยานะการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องมีโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนะมักเนี่คือเป็นทางหรือเป็นเหตุนะส่วนผลก็คือความสำเร็จนะเวลาที่ทำงานสำเร็จก็จะเกิดผลขึ้นมานะ มักก็คือการบําเพ็ญบุญกุศลต่างๆการละบาปอกุศลต่างๆนั่นเองพอได้ละบุญได้ได้สร้างบุญกุศลละบาปอกุศลในระดับของพระโสดาบันได้โสดาปฏิผลคือการบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะปรากฏขึ้นมามรรคผลนี้เป็นคู่กันเป็นของคู่กัน มักเป็นเหตุผลเป็นผลจะได้ผลจะต้องเจริญมักคือการเพียรพยายามปฏิบัติธรรมในระดับของโสดาปติมักนั่นเองอถ้าได้โสดาปติมักโสดาปติผลแล้วก็จะตัดภพชาติในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในภพของมนุษย์หรือเทวดา ลงเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าบรรลุแล้ ว, ลวปฏิบัติต่ตอไปจเจริญสกิดาคามีมักก็จะได้สกิดาคามีผลคือเป็นโล ก, กุตละธรรมขั้นที่สองขั้นที่สองนี้ก็จะทำให้พบชาติที่จะกลับมาเกิดในกามาภพคือพบของมนุษย์หรือเทวดา เหลือเพียงหนึ่งชาติแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปก็จะได้อนาคามีมรรคอนาคามีผลถ้าได้อนาคามีผลแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไปภพของมนุษย์ของเทวดานี้จะไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปแต่จะไปเกิดในภพของพรหมในรูปภพหรืออรูปภพ แล้วถ้าปฏิบัติต่อไปได้ขั้นที่สี่ได้อรหัตมรรคอรหัตผลก็จะหลุดออกจากรูปภพและอรูปภพหลุดออกจากตายภพได้อย่างถาวรหลุดออกจากสังสารวัฏการเวียนว่าตายเกิดในตายภพได้อย่างถาวร แล้วก็จะไปอยู่ที่ไม่มีการเวียนว่าตายเกิดที่เรียกว่านิพพานนี้เองเนี่ยนี่คือโลกุตตรธรรมแปดแปดแปดระดับด้วยกันที่เรียกมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งหรือพูดโดยย่อก็มรรคผลนิพพานนี่คือโลกุตตระธรธรม ผลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันและหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็น้อมนำเอาธรรมที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยเรียกว่าปฏิบัติด้วยความเพียร ผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับช้าเร็วก็อยู่ที่ความสามารถของสติปัญญาความเพียรของผู้ปฏิบัตินบางท่านก็สามารถบรรลุผลได้ภายในเจ็ดวันบางท่านก็บรรลุภายในเจ็ดเดือนบางท่านก็บรรลุภายในเจ็ดปีอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้ว เป็นมีผู้ยืนยันรับประกันแน่ว่าการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดสามารถได้รับผลเหมือนกันเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดคุณภาพไปตามการตามเวลาเหมือนกับ สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งของต่างๆที่เราซื้อมาบริโภคกันนี่มักจะมีวันเขียนติดไว้ว่าวันที่เขียนติดไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันที่นี้ือนที่นั้นเพราะถ้าหลังจากนั้นแล้วคุณภาพของสินค้านั้นจะเสื่อมลงไปแทนที่จะให้ประโยชน์กับจะให้โทษกับผู้บริโภคได้ ทมของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลากติดมากับธรรมว่าควรบริโภคก่อนวันนั้นว ก, ก่อนวันนี้ควรปฏิบัติธรรมก่อนวันนั้นก่อนวันนี้ถ้าหลังจากวันนั้นไปแล้วปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่เกิดผลตามมาอันนี้ไม่มีฉลากติดไว้จะมีเขียนแต่คำว่าอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมสามารถเอาไป บริโภคได้ทุกเวลาที่ต้องการนบริโภคในสมัยพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้บริโภคในสมัยปัจจุบันก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว า, ารเวลาฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยถามตัวเองว่า เอ๊ะทมของพระเจ้านี่เสื่อมหรื อ, อยังทำไมปฏิบัติจึงยังไม่ได้ผลเสียทีก็อย่าไปดูตรงที่วันเวลาของธรรมให้ดูที่ความเพียรของเราเการที่เราปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขาดความเพียรนี่เองขาดความพยายาม ปฏิบัติไปได้นิดไปได้หน่อยพอไปเจออุปสปรรคปั๊บก็ถอยหลังทันทีออุปสรรคที่คอยขวางขั้นการปฏิบัติของเราก็คือความทุกข์ต่างๆนั่นเองอพอนั่งสมาธิไปได้สักพักหนึ่งพอเจอความทุกข์ของทางร่างกายก็ยกธงขาวถอยอถ้ามาถึงจุดนี้เทไนก็ยกธงขาวอ ก็จะไม่มีวันที่จะก้าวหน้าไปได้แต่ถ้านั่งแล้วจเจอความเจ็บปวดของร่างกายก็ใช้ความเพียรพยายามจเจริญสติจเจริญปัญญาต่อไปไม่ให้มากังวลกับความเจ็บความปวดของทางร่างกายปล่อยให้ความเจ็บความปวดของทางร่างกายเจ็บไปให้มาใช้สติให้ใช้มปัญญา เพื่อเรางับความทุกข์ทางใจที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นการก้าวหน้าทางธรรมทางเจ็บความเจ็บของทางร่างกายนี้ไม่เป็นอุปสรรคที่แท้จริงตัวที่เป็นอุปสรรคที่แท้จริงตัวที่ทำให้ต้องยกธงขาวก็คือความทุกข์ใจถ้าไม่มีสติหรือไม่มีปัญญา จะไม่สามารถก้าวข้ามความทุกข์ใจในแต่ระดับไปได้เพราะในแต่ระดับนี้ก็จะต้องเจอความทุกข์ใจและสิ่งที่จะมาแก้ความทุกข์ใจได้ก็คือสติปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากความภาคเพียรพยายามคือสู้ไม่ถอยนั่นเองถ้าถอยเมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อ น, นั้น ถ้าไม่ถอยสู้กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดก็จะต้องชนะได้จะต้องผ่านได้เพราะผู้ที่เคยใช้สติใช้ปัญญามาแล้วนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกตามด้วยพระอาหารตสาวกทั้งหลายก็ใช้ความภาคเพียรพยายามในการสนับสนุนในการเจริญสติ ในการเจริญปัญญานี้เองก็สามารถทำให้ฟันฝ่าความทุกข์ที่เป็นอุปสรรคในการฝังในการเจริญก้าวหน้าในทางธรรมได้นฉะนั้นผู้ปฏิบัตินี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาวิธีเจริญสติศึกษาวิธีเจริญปัญญาเพราะเป็น เครื่องมือในการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการจเจริญมรรคผลนิพพานนี่เองต้องรู้ว่าสติคืออะไรต้องรู้ว่าปัญญาคืออะไรถ้าไม่รู้ก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะมาใช้กำจัดความทุกข์ใจเวลาที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติ ก็จะไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรจะทําความเข้าใจศึกษาก็ให้รู้ว่าวิธีสร้างสตินี้สร้างอย่างไรวิธีสร้างปัญญาสร้างอย่างไรถ้าไม่รู้จักวิธีสร้างสติสร้างปัญญาก็จะไม่สามารถสร้างสติหรือสร้างปัญญาขึ้นมาได้ เมื่อสร้างสติหรือสร้างปัญญาขึ้นมาไม่ได้ก็จะไม่มีเครื่องมือเวลาที่ไปเจออุปสรรคขวางกัน้นทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองเอเอเอนี่คือเรื่องของการศึกษาต้องศึกษาก่อนศึกษาว่าการสร้างสตินี้สร้างอย่างไรการสร้างปัญญานี้สร้างอย่างไรอาการสร้างสติก็คือ การใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือการจะมีสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้สติคือเบรกของใจเบรกที่จะมาหยุดความคิดต่างๆถ้าหยุดความคิดต่างๆได้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็จะระงับไปได้ถ้าไม่หยุดความคิด ความทุกข์ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นก็จะไม่หยุดก็จะไม่หายไปดังนั้นในเบื้องต้นต้องมาศึกษาวิธีสร้างสติก่อนสร้างสติคือเบรกของใจทําอย่างไรเราถึงจะสามารถมาควบคุมความคิดของเราได้มาหยุดความคิดของเราได้เวลาที่เราคิดไปในทางที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ทำอย่างไรทําให้มันหยุดได้นะแล้วพอเรารู้วิธีทําแล้วเราก็ต้องมาฝึกหัดเนีต้องมาซ้อม เ, เพราะว่าการจะใช้เครื่องม้เครื่องมือแต่ละชนิดนี้ถ้าไม่มีการซักซ้อมมาก่อนถึงเวลาจะใช้ก็ใช้ไม่เป็น เ, นเช่นทหาร เ, เวลาจะใช้ปืนนี้เขาก็ต้องไปซ้อมยิงปืนกันก่อน ต้องรู้จักวิธีออยิงปืนออยิงอย่างไรให้ยิงเข้าเป้าออวิธีใส่กระสุนเปลี่ยนกระสุนออวิธีรักษาปืนให้พร้อมกับการใช้งานได้ตลอดเวลาออต้องไปศึกษาแล้วต้องไปซ้อมทำถ้าไม่ซ้อมอยู่ดีๆจะเอาอาวุธปืนมาใช้นี่ก็ใช้ไม่เป็น บางทียิงเหนี่ยวไกก็ ย, กยิงไม่ออกเพราะไม่รู้วิธีปลดล็อกว่าปลดอย่างไรยังต้องมีการฝึกซ้อมก่อนการสร้างสติเพื่อมาหยุดความคิดที่ผลิตความทุกข์ต่างๆมาขวางกัน้นทางแห่งการดาเนินปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องมาฝึกสร้างสติกันก่อน วิธีสร้างสติก็เคยต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องมือถึงจะปาถึงจะมีสติขึ้นมายับยัง้งความคิดปรุงแต่งต่างๆไดออ้กรรมฐานนี้ก็มีอยู่สี่สิชนิดด้วยกันซึ่งกรรมฐานนี้จะแบ่งเป็นสองพวกด้วยกันกรรมฐานที่เป็นเครื่องมือของการจเจริญสติเพียงอย่างเดียว และกรรมฐานที่เป็นเครื่องมือทั้งของสติและของปัญญามีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันกรรมฐานที่เป็นเครื่องมือในการสร้างสติอย่างเดียวก็คือพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนนึกถึงพระอริยสงสาวกเป็นต้น อันนี้เป็นกรรมฐานที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสติคือสามารถถ้ามีพุโทโธธรมโมโอหรือสังโฆก็สามารถใช้พุโทโธธรมโมโอสังโคนี้มาร่างับความคิดต่างๆที่ผลิตความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆได้นะเช่นเวลาเราโกรธใคร ถ้าเราเระนึกถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธก็จะระ ง, งับไปพอความคิดระ ง, งับไปความโกรธก็ระ ง, งับไปความทุกข์ก็หายไปแต่ถ้าเราไม่มีพุทธโธปล่อยให้คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธยิ่งแค้นขึ้นมามากขึ้นจนบางที ทำให้ต้องไประบายด้วยการพูดหรือไปทำในสิ่งที่เสียหายเพิ่มมากขึ้นมาอีกกลายเป็นเรื่องกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาพอไม่สามารถระ ง, งับความโกรธความทุกข์ใจที่เกิดจากความคิดนีด้ไม่ได้แต่ถ้าเคยฝึกพุทธโธพุทธโธไว้ล่วงหน้าเพอรู้ว่ากำลังโกรธกำลังไม่สบายใจก็ใช้พุทธโธบริกรรมไป กเรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธเดี๋ยวความโกรธก็หายไปความทุกข์ความไม่สบายใจก็จะหายไปใจก็กลับมาเป็นปกติอันนี้เป็นตัวอย่างบางทีปฏิบัติทำไปแล้วเกิดไปกระทบกระทั่งกับคนนั่นคนนี้ไป ได้ยินได้ฟังคำพูดที่เราไม่พอใจเขาตำหนิติเตียนเราว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความกโกรธขึ้นมาไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปนั่งสมาธิไปทําใจให้สงบนั่งก็ไม่สงบเพราะมีแต่ความกโกรธเต็มอยู่ในใจแต่ถ้ามีกรรมฐานรู้จักวิธีใช้สติสร้างสติ ก็รีบใช้สติสร้างสติด้วยพุทธโธไปกำหนดพุทธโธพุทธโธไปให้ความโกรธหายไปพอความโกรธหายไปความทุกข์วุ่นวายใจก็หายไปก็สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้ทำใจให้สงบต่อไปได้ด้วยการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทธโธต่อไปก็ได้ พูดโทไปได้เรื่อยอพอความโกรธดับไปความสงบก็อาจจะปรากฏขึ้นมาทันทีพร้อมๆกันจิตก็รวมเข้าสู่สมาธิได้นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องมาสร้างกันก็คือสติถ้าเราโกรธแล้วเราหยุดความโกรธไม่ได้สแสดงว่าเราไม่มีสติถ้าเราคิดฟุง้งซ่านแล้วหยุดความคิดฟุ้งซ่านไม่ได้ แสดงว่าเราไม่มีสติพอเราไม่มีสติถ้าเราต้องการมีสติใช้สติมาดับความฟุ้งซ่านเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาตอนนั้นเลยเราก็ต้องใช้พุทโธพุทโธบริก ร, รมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราฟุ้งซ่านอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากโกรธอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรา ทุกข์ใจเจนเวลานั่งสมาธิร่างกายเจ็บใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาก็เพราะเราไปคิดอยู่กับความเจ็บอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปยิ่งอยากยิ่งทุกข์มากขึ้นไปถ้าเราไม่อยากไม่ไปคิดถึงความเจ็บความทุกข์ในใจจะไม่ปรากฏขึ้นมาถึงแม้ว่าความเจ็บของร่างกายจะมีอยู่แต่ความเจ็บของร่างกายกับไม่มีปัญหากับใจ ใจอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ถ้าใจไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาด้วยความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปนะนะนี่คือวิธีแรกในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆเราจะต้องมีสติไว้คอยกำจัดอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นอยู่คือความทุกข์ ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งถ้าเราสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนั้นก็จะร ง, งับดับไปได้พอร ง, งับดับไปได้เราก็สามารถผ่านขั้นนั้นไปได้ต่อไปเราก็จะไม่โกรธเราก็จะรู้สึกเวลาเราโกรธเราก็จะรู้จักวิธีดับความโกรธได้ ถึงแม้ว่ายัางไม่ใช่เป็นวิธีดับแบบถาวรวิธีของสตินี้เป็นวิธีแบบชั่วคราวแต่อย่างน้อยก็แก้ปัญหาได้ชั่วคราวพอโกรธใครก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไป เดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปแต่พอเราหยุดพูดโทล้วกลับไปคิดใหม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธความโกรธก็ยังจะกลับมาได้อีกถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความโกรธอย่างถาวรหลังจากที่เราสามารถลั ง, งับความโกรธได้ด้วยสติแล้วเราก็ต้องใช้ขั้นต่อไปก็คือขั้นปัญญา ถ้าเราใช้ขั้นปัญญาได้รู้จักใช้ปัญญาเราสามารถที่จะกําจัดความโกรธต่างๆที่เคยปรากฏขึ้นมานี้ไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกได้กําจัดได้อย่างถาวรเพราะปัญญาจะไปกําจัดที่เหตุของความโกรธเหตุที่ทําให้ใจโกรธเป็นอะไรถ้าสตินี้ไม่ได้ไปกําจัดเพียงแต่ไปหยุดมัน ไม่ได้ไปค้นหาว่าความอะไรเป็นต้นเหตุทำไมจึงต้องมาหยุดตัวนี้แต่ถ้าใช้ปัญญานี้ตัวปัญญาจะมาศึกษาดูว่าตัวไหนเป็นตัวที่ทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาแล้วทำอย่างไรถึงจะระ ง, งับดับมันให้ได้พอระ ง, งับดับมันได้แล้วครั้งเดียวมันก็จะระ ง, งับดับไปได้ทุกครั้งไปนี่คือปัญญา ปัญญานี้ต่างจากสติสตินี้ใช้กรรมฐานแบบพุทโธพุทโธได้แต่ปัญญานี้ต้องใช้กรรมฐานแบบอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาต้องรู้จักคําว่าอนิจจังแปลว่าอะไรต้องรู้จักคําว่าทุก ข, ขังแปลว่าอะไรต้องรู้จักอนัตตาแปลว่าอะไรออ น, นิจจังทุกขังอนัตตากับสิ่งที่ทําให้เราโกรดนั่นเองเวลา ที่คนนั้นคนนี้ทำให้เราโกรธเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาคนนี้ทำให้เราโกรธว่าทำไมเขาถึงทำให้เราโกรธเขากโกรธเพราะว่าเราอยากให้เขาไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมเช่นเขาตาหนิถีเตียนเขาลหานินทาว่ากล่าวดูถูกดูแคลนเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะอะไร เพราะเราไม่ชอบคำกอรหานินทาเราไม่ชอบคำตาหนิตีเตียนเราไม่ชอบความดูถูกขัดดูถูกดูแคลน เ, ออเราอยากไม่ให้เขาพูดเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เราห้ามเขาได้หรือไมเออ่เขาเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเขาเป็นตัวเราหรือไม่ใช่เป็นตัวเราเออถ้าเป็นเราเราก็ต้องห้ามมันได้ออถ้าเป็น ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของเราได้ต้องห้ามไม่ให้เขามาด่าเราได้ห้ามไม่ให้เขามาดูถูกดูแคลงเราได้แต่ถ้าเราห้ามไม่ได้ก็แสดงว่าเขาเป็นอนัตตาแล้วเราจะทำยังไงเมื่อห้ามเขาไม่ได้เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ว่าเราเท่านั้นเอง เพราะปัญหาที่แท้จริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดจากคำว่ากล่าวของเขาหรอกแต่เป็นความอยากของเราที่ไม่อยากให้เขามาว่าเราเท่านั้นเองพอเรามาหยุดความอยากตัวนี้ได้ตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความอยากอยากให้เขาไม่มาว่าเราพอเราหยุดตัวนี้ได้เขาจะว่าเรายังไงเราก็ไม่ทุกข์ได้เราเชิญเขาด่าเลยเราอยากจะด่าอะไรด่าไปให้พอ ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ใจ เ, เราก็จะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมนะ <toolbar. S 1> เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานั้นเกิดจากความอยากของเราเอง เ, <c oughs> เห็นอริยสัจสี่ <c oughs> เห็นทุกเกิดความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาไม่ดา่าเราแล้วเห็นการดับของความทุกข์ใจ ว, <Charlotte> ว่าเกิดจากการที่เรา มีปัญญามีดวงตาเห็นธรร ม, มเห็นว่าเสียงคำดาของเขานี่เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังความด่าของเขาเราไปสั่งให้เขาหยุดไม่ได้เขาอยากจะหยุดเขาก็หยุดเองเขาจะไม่หยุดเขาก็พูดไปเรื่อยๆเป็นอนิจจังบางทีก็พูดบางทีก็ดา่าบางทีก็ไม่ดา่าอนัตตาก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้พอเรา เห็นด้วยปัญญาคือมักมนิโรธคือความทุกข์ใจก็ดับไปนี่ละเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาจากการที่เราใช้ปัญญาในการมาแก้ความโกรธแก้ความทุกข์ที่เกิดจากความความโกรธอพอเห็นอริยาสัจสีแล้วต่อไปก็จะไม่มีความโกรธอีกต่อไปพอรู้ว่าถ้าเกิดความอยากให้เขา มาว่าเราเราก็จะโกรธถ้าเราไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะทุกข์เราก็ปล่อยวางเท่านั้นเองปล่อยให้เขาว่าไปเพราะเขาเป็นอนัตตาอนาัตตาก็คือเป็นเหมือนธรรมชาติไม่มีตัวตนเหมือนลมพัดเสียงลมพัดเราทำไมไม่โกรธเนี่ยตอนนี้ลมพัดเราฟังแล้วเฉยมันเสียงเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นเสียงซุบซิบนิดหน่อยเบาๆว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเมันก็เป็นเสียงลมพัดเหมือนกันนี่เราไม่ไปมองว่ามันเป็นเสียงธรรมชาติเราไปิไปมองว่าเป็นเสียงคนเสียงคนที่เราควบคุมบังคับได้สั่งได้ห้ามได้แต่สั่งได้หรือเปล่าห้ามได้หรือเปล่าสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ เราก็เลยทุกข์กับเสียงเสียงคาราฮานินทาเสียงตําหนติติเตียนเพราะเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่ามันเป็นเสียงลมพัดเนี่ยเสียงลมพัดเข้ามาเสียงลมพัดกับเสียงคนพูดมันต่างกันที่ไหน มันก็เป็นเสียงเหมือนกันเข้ามาทางหูเหมือนกันรับรู้ที่ใจเหมือนกันแต่เสียงลมพัดนี้ไม่สะเทือนใจเลยแต่เสียงซุบซิบนินทาเบาๆนี่โอ้ยสาบเข้าไปในหัวใจเพราะเราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับสั่งเขาได้สั่งให้เขาหยุดได้สั่งให้เขาไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้ได้ แต่พอดูจริงๆแล้วเราก็สั่งไม่ได้เป็นเหมือนเสียงลมพัดลมจะพัดเขาก็พัดเขาจะหยุดเขาก็หยุดไปใครไปสั่งลมได้สั่งให้ลมหยุดได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ลมกำลังพัดอยู่ไม่ได้พอเวลาลมไม่พัดสั่งให้มันพัดก็มันก็สั่งไม่ได้คนก็เหมือนกันไปสั่งให้เขาชมเราได้ไหมตอนนี้ ตอนนี้เขาด่าเราสั่งให้เขาหย qu ุดได้ yes. para, uh, for, ั้ยมันก็เหมือนลมนี่เองเป็นธรรมชาตินั้นเราอย่าไปเล่นกับลมเล่นแล้วเราจะเหนื่อยอย่าไปเล่นกับธรรมชาติเราไม่เราไม่ค่อยไปเล่นกับธรรมชาติใช่ไหมลมจะพัดเราก็ปล่อยมันพัดไปลมจะหยุดเราก็ปล่อยมันหยุดไปฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปฝนจะไม่ตกก็ปล่อยมันไม่ตกไปแล้วเราไม่ค่อยทุกข์กับธรรมชาติเท่าไหร่ แต่เราไปทุกข์กับเสียงของคนรูปของคนนะเพราะเราไปคิดว่าเราสามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้สั่งเขาได้นี่คือปัญญาจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจรักถ้าเป็นใจรักแล้วก็ต้องปล่อยวางต้องอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่อยากทุกข์ก็ไม่เกิด ก็จะเห็นการทำงานของอริยาาสัจสีปรากฏขึ้นมาภายในใจแบบสดสดร้อนๆ้อนเนี่ ย, ยธรรมะที่เรียกว่าอาการโกรเนี่ยมันอาการโกรตรงนี้ตรงที่อริยาาสัจสี่นี่แหละทุกสมุทัยนิโรธมากแต่พวกเราไม่ไม่เคยมาหันมาดูกั น, เ, นเวลาโกรธก็ไปแก้ที่ข้างนอกไปแก้ที่คนพูดไม่มาแก้ที่ใจไม่มาแก้ที่อริยสัจสี่ มันเลยกล้าไม่จบสักทีกลกายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาพอเขาพูดไปห้ามเขาเขายิ่งพูดใหญ่เขายิ่งโกรธเขาใหญ่พอโกรธก็เลยไปด่าเขามั่งเลยพอด่าเขาเขาก็เลยด่ากลับมากขึ้นไปอีกมันก็เรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาอริยสัจภายในใจก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทุกข์ก็มากขึ้นไปความอยากก็มากขึ้นไปอันนี้เพราะว่าไม่มีปัญญา ถ้ามีปัญญานี้จะต้องอพิจารณาตายรักพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นว่าเป็นตายรักให้เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราที่จะไปเล่นกับสิ่งไปห้ามในสิ่งต่างๆที่เราห้ามไม่ได้ห้ามธรรมชาติไม่ได้สั่งธรรมชาติไม่ได้เรายังเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับได้อยู่เราก็เลยทุกข์กันวุ่นวายใจกัน นี่แหละคือระดับปัญญาถ้าได้เข้าถึงระดับปัญญาแล้วพอเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมากแล้วทีนี้ก็จะเข้าใจถึงการเกิดขึ้นของทุกข์ว่าเกิดขึ้นอย่างไรและเห็นการหยุดของความทุกข์หยุดได้อย่างไรหยุดด้วยการเห็นตาลักหยุดด้วยการปล่อยวางหยุดด้วยการระงับความอยากต่อไปจะไม่มีความอยากกับใคร กจะไม่มีความอยากกับสรรเสริญเนื้อนินทาใครจะสรรเสริญก็ห้ามเขาไม่ได้ใครจะนินทาก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาสรรเสริญไปปล่อยเขานินทาไปเราไม่ต้องไปดีอกดีใจเสียอกเสียใจไปกับการสรรเสริญ น, นินทาเราทำใจให้เป็นเหมือนใบบัวส่วนหยดหน้ามันจะมาหยดที่ใบบัวมันก็จะไม่ดูดซึมเข้าหากัน ใจเราไม่เป็นใบบัวใจเราเป็นกระดาษซับนี่พอหยดน้ําหยดเข้ามาหยดหนึงไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานหรือน้ําขมก็ดูดก็ไปทันทีพอใครด่าก็ดูดก็ไปทันทีพอใครชมก็ดูดก็ไปทันทีพอชมก็ดีใจเต็มที่พอด่าก็เสียใจเต็มที่นอันนี้แหละเพราะว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญา ที่จะมาทาใจของเราให้เป็นใบบัวใบบัวก็คืออุเบกขานี่เองทำใจของเราให้วางเฉยวางเฉยด้วยสติวางเฉยด้วยปัญญาถ้าวางเฉยด้วยสติก็เป็นพักๆไปเวลาขาดสติก็ไม่เฉยแต่ถ้าวางเฉยด้วยปัญญาแล้วจะเฉยไปตลอดนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติ เพื่อที่จะให้เราเก้าวเข้าสู่ทำขั้นต่างๆได้เพราะทำแต่ละขั้นนี้จะมีความทุกข์ใจฝังอยู่ทุกขั้นไปแล้วจะต้องใช้มรรคคือสติปัญญามากาจัดความทุกข์ที่ขวางอยู่ถึงจะสามารถก้าวผ่านความอุปสรรคของการปฏิบัติไปได้การโสดาปติมัค ก, ก็ต้องมีความทุกข์ ขั้นสกิทาคามีมรรคก็ต้องมีความทุกข์สร้างขั้นอนาคามีมรรคอาลัตตมรรคก็ต้องมีความทุกข์จะผ่านทุกข์แต่ละขั้นนี้ได้ก็ต้องมีมรรคก็คือมีสติมีปัญญาที่จะมาควบคุมความคิดควบคุมความอยากหยุดความคิดหยุดความอยากพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้ก็จะไฟเขียวผ่านตลอดเนี เมือนมีบัตรผ่านด่านเนี่ยถ้ามีบัตรผ่านด่านนี่พอถึงด่านปั๊บเสียบเข้าไปในช่องปั๊บด่านมันก็เปิดให้วิ่งได้เลยด่านที่เราจะผ่านมีอยู่สี่ด่านเนียโซดาสกิดดาอนาคาอ拉หานันนี่มีด่านกั้นไว้มีไม้กั้นไว้ เราต้องมีบัดรูดบตดเสียบก็ไปในช่องพอ เ, เสียบปุ๊บด่านมันก็เปิดปับ๊บมันก็วิ่งผ่านไปได้ถ้าไม่มีด่านก็ไปไม่ได้อาไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรก็ไปไม่ได้นี่เราถึงต้องมาสร้างความเพียรกันเพียรสร้างสติสร้างปัญญาที่เป็นบุญกุศลที่สุดยอดที่สำคัญที่สุด แต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงบุญกุศลระดับนี้ได้เราต้องผ่านการละงักการกระทำบาปทั้งปวงก่อนละงับการทำบาปเราถึงจะเข้าสู่บุญกุศลระดับสูงต่อไปได้ถ้าเรายังทาบาปอยู่เรายังจะติดอยู่กับเรื่องของการทําบาปจะไปสู่การสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรไม่ได้ ดังนั้นขอให้เราเพียรพยายามกันเพียรละบาปเพียรสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับแล้วเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วถ้าเราทำแบบก็ตายทำแบบเวลามีอารมณ์ก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำไปไม่ถึงไหนเพราะอารมณ์ไม่ทำมันจะมากกว่าอารมณ์ที่จะทำนั่นเองขอให้เราเป็นแบบก็ตาย เป็นแบบเตามีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ก็ถึงเวลาก็ต้องทำช้าหรือเร็วไม่สำคัญขอให้ได้ทำขอให้คารไปเรื่อยๆอย่าหยุดคานเดี๋ยวเดี๋ยวจะชนะกัตายจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้มีความเพียรปฏิบัติ ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระเจ้าได้ทรงได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเเอุเรนตุสังกปาจันโทปนะหราโสยะธามณีโชติหระโสยะธาสัพพิตโยวิวัชจันตุ สัพพะโรโขวินัสสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวัฒนศีริตสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวัทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้เฟ e บุ๊กมี366ท่านค่ะ YouTube 226ท่านวิทยุ8ท่านผู้รับฟังบนเขามี231ท่านรวมเป็น831ท่านค่ะใครอยากจะถามก็ชจญถามได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเงินที่ได้จากการทำผิดศีลห้านำมาทำบุญนี้จะได้บุญไหมเจ้าคะ ได้แต่ไม่ได้ล้างบาปนะบาปก็ยังติดตัวอยู่บาปเป็นบาปบุญเป็นบุญบาปก็ต้องไปใช้กรรมต่อไปบุญก็ไปรับผลบุญคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามที่สองค่ะเวลาเกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาลูกจะใช้ความคิดเข้ามาระ ง, งับเพื่อไม่ให้ทำตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นลูกทำอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ ถ้าระงับได้ก็ถูกแต่สู้ระงับด้วยการหยุดคิดได้จะดีกว่าเพราะว่าบางทียิ่งคิดแล้แทนที่จะหายโกรธกับกลับไปโกรธเพิ่มมากขึ้นก็ได้ถ้าคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นเห็นวิธีที่ง่ายที่ปลอดภัยก็หยุดคิดดีกว่าให้คิดพุทโธแทนคิดถึงเรื่องของความโกรธคิดอยู่แต่ใช้ใช้ความคิดพุทโธเป็นตัวคิดแทน ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธเราก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธได้เพราะเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธความโกรธมันก็ไม่เกิดความโกรธที่มีอยู่มันก็จะหายไปอีกคําถามค่ะลูกอยากทราบว่าเกิดมาแล้วสามภพสามชาติคืออะไรคะและจะไม่ได้เกิดอีกต่อไปนั่นคืออะไรเจ้าคะคือความสามภพสามชาตินี่หมายถึงตายภพ พบที่เราไปเกิดมีอยู่สามพบด้วยกันแต่ไม่ใช่เกิดเพียงสามครั้งเกิดเป็นมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งะเกิดในตายพบนี่ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดในพบใหม่พบที่มีร่างกายก็มีพบที่ไม่มีร่างกายก็มีตายพบสามพบคือกามพบรูปพบอรูปพบนี่นี่คือตายพบหรือสามพบสามชาติ ที่พวกเราเวียนไายตายเกิดกันอยู่ส่วนคำถามข้อที่สองเขาว่าอย่างไรนะคำถามข้อที่สองเขาบอกว่าจะไม่ได้เกิดอีกต่อไปคืออะไรเจ้าคะอ๋อก็มาปฏิบัติธรรมไงปฏิบัติธรรมถ้าไปถึงพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปตอนนี้เรายังติดอยู่ในายพบอยู่จะไม่เกิดต้องปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา แล้วใจของเราก็จะออกจากตาภพไปอยู่ที่พนธิพาแทนคำถามจากคุณระดามพาค่ะน้ำมะพร้าวที่ไม่มีเนื้อน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นตถือว่าเป็นน้ำปานะได้ไหมเจ้าคะ่ะแล้วแต่ว่าขนาดของผลไม้ <c oughs> ถ้าใหญ่กว่ากำปั้นก็ใช้ไม่ได้เช่นน้ำมะพร้าวน้ำแตงโมมผลไม้ที่มี ขนาดใหญ่กว่ากำปั้นจะน้ำสับ ป, ประรดเนี่ก็ไม่ได้ต้องเอาแบบประมาณกำปั้นเช่นพวกส้มพวกองุ่นพวกแอปเปลิลอะไรพวกนี้อยู่ในเกฑ์ที่จะเอามาคั้นเอาน้ำมาดื่มได้แต่ต้องกรองไม่ให้มีกากไ ม, ม่ให้มีเนื้อไม่ให้มีเนื้อติดมาใ ห, ให้ดื่มแต่น้ำไม่ให้คือไม่อยากให้อิ่มเกินไปถ้ามีเนื้อมีอะไรเดี๋ยวมันจะอิ่ม ให้กินเพื่อที่บรรเทาความหิวโหยขาดพลังงานร่างกายตอนบ่ายอาหารที่ได้รับประทานในตอนเช้ามันก็จ ะ, ะหมดพลังงานได้ก็ให้เติมในตอนบ่ายเติมด้วยน้ําผลไม้น้ําอ้อยน้ําตาลน้ําพึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้ที่ถือศีลแปดผู้ที่เป็นพระนี่ ใช้ดื่มเพื่อมาเพิ่มพลังงานในตอนบ่ายได้คําคำถามที่สองค่ะเวลาทําบุญการอธิษฐานและไม่อธิษฐานทรงผลทรงผลบุญต่างกันไหมคะอย่างไรคะคือเวลาจะทําบุญนี่มันต้องอธิษฐานก่อนเนะคือคาว่าอธิษฐานนี่คือความตั้งใจก่อนที่เราจะทําบุญเราต้องคิดก่อนแล้วว่าวันนี้จะทําบุญอันนั้นก็เรียกว่าอธิษฐานแล้ว ไม่ไม่ใช่อธิษฐานอย่างที่เราเข้าใจว่าทำบุญแล้วขอให้ผวยลูปหลอผวยรักลัวรักเรามีลูกดีให้ร่ำให้รวยอธิษฐานแบบนี้อธิษฐานไม่ไดเ้เพราะมันไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลจากการทำบุญาการทำบุญมันมีผลในตัวแล้ว คือความสุขใจอิ่มใจเป็นสบียงที่เราเอาไปใช้ต่อไปเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วได้จะขอหรือไม่ขอก็ได้เท่าที่เราทำนั่นแหละจะขอมากกว่าที่เราทำก็ไม่ได้จะขอให้ได้น้อยกว่าที่เราทำก็ไม่ได้มันก็ได้ตามเหตุที่เราทำไว้ดังนั้นทุกครั้งก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องอธิษฐานกันก่อนนัน พราะคำว่าทิฏฐานคำแปลความหมายที่ถูกต้องแปลว่าความคิดความตั้งใจนี้เองเนี่ยวันนี้จะมาที่นี่ได้ก็ต้องคิดก่อนนะต้องตั้งใจแล้วว่าวันนี้จะมาวัดเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานแล้วถ้าไม่อธิษฐานก็จะไม่ได้มาที่วัดอธิษฐานนี่มันเป็นได้ทั้งทั้งดีและทั้งชั่ววันนี้จะไปเที่ยวบ่อนนีมันก็อธิฐานแล้วเคำว่าอธิษฐานแปลว่า ความตั้งใจความคิดเความคิดความตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทําอะไรเออนทุกครั้งก่อนที่เราทําอะไรเราคิดก่อนแล้วทั้งนั้นเราอธิษฐานแล้วไม่ต้องมาอธิษฐานตอนจะถวายพระถวายพระยืนขามเมื่อยเนี่นั่งอธิษฐานที่ขออะไรก็ไม่รู้ <laughs> อธิษฐานแบบนั้นไม่ได้ผลอะไร ผลเกิดจากการที่เราทำทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นถ้าอยากจะไปนิพพานมันต้องไปบวชไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ใส่บาตรแล้วก็ขอไปนิพพานเนี่ยขออย่างไงก็ไปไม่ถึงเหมือนตีตั๋วไปแค่พัทยาแล้วจะขอให้ไปถึงกรุงเทพมันไปไม่ได้หรอกจะไปกรุงเทพก็ต้องตีตัว๋วตั๋วกรุงเทพไปตีตั๋วแค่พัทยาก็ต้องลงที่พัทยานั่นล่อ ข้อสามค่ะการทำหวงจุย้ยมีผลต่อเคหสถานมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าเมื่อต้นปีเคยเชิญอาจารย์มาตรวจหวงจุ้ยที่ร้านอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ปรับหวงจุย้ยกิจการก็อาจจะอยู่ได้ไม่เกินสามปีจากที่เราไม่กังวลเราก็กังวลค่ะ พรานั่นสิก็ไปเชื่อเขาทําไมล่ะพวกที่เขาไม่เชื่อไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาก็ทํามาหากินล่ําด้วยกันได้ไม่น้องไม่ต้องมีห่วงจงหูงจุ้ยอะไรพอไปเชื่อมันก็มีปัญหาขึ้นมามันเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่เรื่องของความจริง ความจริงมันไม่ได้อยู่ที่วงจุ้ยหรอก น, นพราหลวงพ่อหลังมันไม่มีวงจุ้ยมันมันรวยกับเรามันเก่งกว่าเรานะ ม, มันอยู่ที่สติปัญญานทุกอย่างมันอยู่ที่สติปัญญาถ้ามีสติปัญญาแล้วร่ํารวยจะเลินก้าวหน้าได้ถ้าโง่ยังไงก็ไม่มีทางวงจุ้ยดียังไงก็ไม่มีทางรวยได้คำถามที่สี่ค่ะพระนิพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วดวงจิตของพระนิพานไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะ ก็อยู่ที่เดิมดวงจิตไม่มีสถานที่มันไม่มีขนาดเนี่ยร่างกายมันมีรูปร่างหน้าตาขนาดมันเลยต้องมีพื้นที่ให้มันไปไหนมาไหนแต่จิตไม่มีร่างกายไม่มีขนาดไม่กว้างไม่ลึกไม่แคบไม่สูงไม่ต่ำไม่เตี้ยมันก็เลยไม่ต้องมีที่อยู่ที่อยู่ของมันก็คือเรียกว่าโลกทิพย์เท่านั้นเองก็อยู่ที่โลกทิพย์ คนที่ไม่มาเกิดก็อยู่ในโลกทิพย์คนที่มาเกิดก็อยู่ในโลกทิพย์นั่นเองอยู่ที่เดียวกันหมดวเวลาเอาคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าเพื่อนๆและบุคคลที่ร่วมงานทากิจการต่างๆเป็นคนที่จะพาไปหาราบยศสรรเสริญสุขไม่มีใครเลยที่จะพามาทางความหลุดพ้นผมควรทำอย่างไรดีครับ ก็พามาเองสิไม่มีคนพาเราไปแล้วก็พามาเองเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เป็นคนตาบอดนี่ต้องให้มีคนพาไปไหนมาไหนตามถ้าตาบอดก็ต้องอาศัยคนตาดีขอร้องเขาจ้างเขาให้เขาพาเรามาถ้าเรามาเองได้เราก็มามาทางธรรมดีกว่าเพราะเป็นมาหาสิ่งที่ถาวรที่ที่มีแต่ความสุข